ขอเจริญพรท่านสาธารณนทุกท่านทั้งที่เป็นแพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขและผู้สนใจในธรรมทุกท่านหัวข้อบรรยายวันนี้นีนะ่ก็เป็นหัวข้อเดียวกับที่เราได้ฟังเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นการมองคนละแง่มุม เ็เสริมกันรู้ทันมหาตะไยซึ่งในที่นี้ก็คงจะเล็งถึงไพยที่ปัรหรือไัยธรรมชาติเป็นหลักคําว่ารู้ทันมหาตะไยหรือรู้ทันไพรที่ปัตเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรอย่างแรกคือว่า รู้ทันท่วงทีเมื่อมันเกิดขึ้นตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามักจะไม่รู้ทันท่วงทีเทมแค่เรารู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวแค่ห้าวินาทีอันนี้ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าจนทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถทาเช่นนั้นได้ แต่ว่าภัยธรรมชาติบางอย่างเราพอจะคาดการล่วมหน้าหรือว่าพอจะรู้ทันท่วงทีได้อย่างเช่นน้ําท่วมหรือว่าพายุและกระทั่งพายุสุริยะนะซึ่งก็มีการคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นปีนี้ปีหน้าหรือนาฬิกาใกล้เนี่ยก็พอจะรู้ทันได้ และพอจะให้เวลาสำหรับการเตรียมตัวไม่ใช่ป้องกันแต่เพื่อบรรเทาผลร้ายที่จะเกิดขึ้นรู้ทันหมันตะัยหมายความถึงว่ารวมถึงว่าเรารู้ว่ามันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างไปอย่างใดต้องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้ท่านผูรู้ท่านก็อธิบายไว้เยอะว่าอาจจะมาจากบนฟ้า เช่นพายุหรือไกลกันนั้นก็คือลมพายุโุริยะนะใต้ดินเช่นแผ่นดินไหวหรือว่าบนผิวดินเช่นอุทกภัยนะเป็นต้นนะรู้ทันหมายความว่ารู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ เรียรู้ทั้งทุกข์และรู้ทั้งสมุทยัยแล้วก็อาจจะรวมถึงรู้ทั้งมัคควิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าป้องกันไม่ได้ก็บรรเทารู้ถึงผลกระทบว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรื่องโรคร้อนมันคืบคลานเนี่ยช้าๆแต่ก็ส่งผลอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างและผลกระทบบางอย่างเรายังไม่รู้มากไม่รู้ชัดก็ต้องศึกษากันต่อไปแต่ท่าทันอันหนึ่งที่จะมาช่วยสาคัญก็คือรู้ว่ามันจะส่งผลต่อใจของเราอย่างไรอันนี้เนี่ยมันไม่มีเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่จะวัดได้ หรือจะบอกได้ว่าผลกระทบทางใจที่เกิดจากภายัยพิบัติเนี่ยมันมีอย่างไรแต่เป็นสิ่งที่เราควรรู้เราแต่ละคนควรรู้แล้วก็รู้เพื่อที่เราจะได้วางใจใ่ถูกเพราะว่าถ้าเราวางใจไม่ถูกเนี่ยใจที่ไม่รู้ทันนั่นแหละที่อาจจะเป็นปัญหาคือตัวภยัยพิบัติเนี่ยมันก็สร้างปัญหาอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ในทางทรัพย์สินร่างกายแต่ถ้าใจเราไม่รู้ทันไม่รู้ทันใจของเราเองความทุกข์ทางใจก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็เป็นการซ้ำเติมความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจากภายัยพิบัติที่เป็นปรากฏที่เป็นผลปรากฏในเชิงรูปธรรมถ้าเราไม่รู้ทันใจเราก็อาจจะมีปัติ และบ่อยครั้งเนี่ยใจวิบัติเนี่ยมันร้ายแรงกว่าภัยพิบัติบ่อยครั้งเนี่ยนะหรือจาปรากฏการเมื่อมีที่แล้วก็จะพบได้ว่าสําหรับหลายคนแล้วเนี่ยใจวิบัตินี่มันร้ายกว่าภัยพิปัติบางคนยังไม่ทันเจอน้ําท่วมเลยก็เครียดละกังวลละ กังวลว่าอะไรกังวลว่าจะต้องกลัวว่าจะเกิดกับเรากลัวว่าจะซูนโน่นเสียนี่บ้านนี่ยังแห้งอยู่เลยแต่ว่าเครียดจนป่วยอันนี้เรียกว่าเจอใจวิตบัตเข้าไปแล้วบางคนเจอภยัยพิบัตแต่ว่ายิ้มได้แต่หลายคนเจอภยัยพิบัต พอใจวิบัติเข้าไปด้วยก็ซ้ำเติมแทนที่จะเสียแค่ทรัพย์แทนที่จะเสียแค่รถก็อาจจะเสียความสุขเกิดความทุกข์ใจบางคนถึงกับฆ่าตัวตายใครพิบัติที่มันไม่ทำให้ฆ่าตัวตายนะฮะใครพิบัติอาจจะทำลายชีวิตอาจจะทำลายทรัพย์สินอาจจะทำลาย บ้านเรือนแต่ภัยที่บาดมันไม่ทาให้ฆ่าตัวตายสิ่งที่ทำให้ฆ่าตัวตายคือใจวิบัตในบางที่เนี่ยในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นมาบอกว่ามันไม่มีภัยที่ัตดแต่ว่าใจวิบัตแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์แล้วก็ระบายความทุกข์ใส่คนอื่น เกิดการปล้สนสะดมตั้งแต่ที่เจอภัยพิบัติแล้วเนี่ยมันก็ยังพอไหวถ้าคนไม่ใจวิบัติก็ช่วยเหลือกันแต่ถ้าเกิดว่าใจวิบัติซ้ําเข้าไปอีกก็จะเกิดการแย่งชิงปล้สนสดมการเอาละเอาเบี้ยซึ่งเท่ากับเป็นการซ้ําเติมผู้คนให้หนักขึ้น ดัะนั้นสมาชิกว่าในเรื่องการรับมือกับมหันตภัยหรือภัยวิบัติเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอีกมิติหนึ่งด้วยอีกปัจจัยนี้คือใจวิบัติเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ใจวิบัติเพื่อที่จิตใจนั้นเนี่ยจะพร้อมรับมือกับภัยวิบัติได้ใจวิบัติในที่นี้หมายถึงใจที่ เสียศูนย์ใจที่วางไว้ผิดใจที่มองไปในแง่ลบอาจจะไปลดรวมถึง ใ, ใจที่แบกรับความทุกข์โดยไม่รู้จักปล่อยวางก็จะเพียบหนักนั้นในการที่เราจะรู้ทันและและรับมือกับมาทะายเนี่ยนอกจากการเตรียมตัวในเชิง ทรัพยากรในเรื่องการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอ้อมตลอดจนการเตรียมตัวเฉพาะตนเช่นเรื่องสเสบียงอาหารอุปกรณ์ยางที่การทำความเข้าใจรัะเตรียมพร้อมในเรื่องจิตใจของตัวสามารถจะวางใจได้อย่างถูกต้องก็จะช่วยทำให้เราเนี่ย สามารถจะรับมือกับภัยพิบัติได้สามารถจะลดผลกระทบจากภัยพิบัติได้หรือสามารถจะใช้ประโยชน์จากภัยพิบัตินั้นคือไม่ใช่ให้มันกระทำกับเราอย่างเดียวแต่เราก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วยจะทำอย่างไรจะวางใจอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถจะรับมือกับภัยพิบัติ ได้อัตมาคิดว่าอย่างแรกเลยคือการต้องตั้งสติให้ดีนะฮะสติสำคัญมากบางคนเนี่ยยังไม่ได้เจอไปวิธบัตรเลยนะเพียงแค่ได้ยินข่าวได้ยินข่าวก็ตื่นตระหนกแล้วตกใจวิตกกังวลอย่างเนปีที่แล้วเนี่ยข่าวเรื่องเด็กชายประบู เแชรประวูตเล่นไทยก็ไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าพอมีข่าวทางเว็บไซต์ทางอินเทอร์เนต็ตก็ตกใจกันนะตื่นตนกเครียดกังวลอันนี้เพราะว่าขาดสตะนะิฮะขาดสติทั้งในแง่ที่ไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักไต่ตรอง สิ่งท้สิงที่ได้ยินได้ฟังมาไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าระหว่างความรู้กับความเห็นไม่สามารถจะแยกได้ระหว่างความจริงกับความเท็จหรือว่าข่าวจริงกับข่าวลือลในช่วงในช่วงนี้ก็จะมีข่าวมากมายเกี่ยวกับหมันตภัย ซึ่งที่เป็นท่าวรือก็มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาคร่ครวนว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะคร้ครวนได้ก็ต้องใช้การค้นหาความจริงหาข้อมูลนะ ซึ่งก็ต้องฉลาดพอที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นข้อมูลที่จริงอะไรเป็นข้อมูลที่เท็จแต่ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นจากการที่มีสติไม่ได้นะสติสำคัญมากยิ่งถ้าเกิดภัยธรรมชาติพิลันเนี่ยหรือเกิดภัยพิบัติภูตานีย่ยิ่งต้องมีสติเข้าไปใหญเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยความไม่มีสติมันทำให้เหตุการณ์ลุกลามเร็วร้ายมากขึ้น ยกตอย่างเช่นเวลาเกิดไฟไหม้ในหะ้องประชุมหรือในโรงหนังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ตายไม่ใช่เพราะว่าฟันนะฮะไม่ใช่เพราะควันไม่ใช่เพราะไฟะฮะแต่เพราะเหยียบกันตายและที่เหยียบกันตายก็เพราะอะไรเพราะว่าตื่นตหนก อันนี้พวกเราที่ทำงานเจอเรื่องด้านมีบัติเหตุก็คงทราบดีนะว่าเรื่องสติสำคัญมากและ ต, ตาราบเท่าในช่วงที่มีการกระแสะเรื่อง2012ไทยทิบัติเนี่ยการตั้งสติเป็นสิ่งสำคัญได้ยินได้ฟังอะไรก็อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆให้ใช้หลักการมาสูตร หลักการมัสูตรของพระพุทธเจ้าท่านสอน ไ, ไว้สองมัวาคีแล้วยังใช้ได้ทุกยสมัยก็คือว่ามีสีข้อนะฮะข้อสำคัญสำงัญ ค, คือว่าหนึ่งอย่าเชื่อเพียงเพราะข่าวลืออย่าเชื่อเพียงเพราะพูดติดต่อกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะบางมีลักษณะอาการน่าเชื่อถือหรือผู้พูดเนี่ยมีลักษณะอาการน่าเชื่อถือนะฮะขณะไปเรียนท้าทุกบอลโลกถิ่เป็นประจำทุกปีนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฟังจะฟังแบบสูดฤทธิ์ที่ประตูไม่ได้จะเชื่อแบบสุดฤทธิ์ที่ประตูไม่ได้ต้องตั้งหำักฐานนะอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเรานะเพราะครูก็เป็นปราที่พลังพลาดดาชีเท้ายังรู้พลาดนักปราจะรู้พลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชาบพุทธต้องใช้หลักการมัธยู อย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆแต่ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธอะไรที่ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าก่อน26ธันวาคม47ก็ไม่เคยเกิดสึนามิในเมืองไทยเท่าที่มีประวัติก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดซึนามิไปเลยไม่ใช่เพราะอย่างที่เราทราบวันที่26ธงเราเกิดสนามิ อะไรที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ต้องอตั้งอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกับสตินะสติกับความไม่ประมาทเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรามีสติเราก็จะไม่เชื่อง่ายแต่เราก็จะไม่ด่วนปฏิเสธเพราะคนไทยเรามีความมีพาศิวว่าเนี่ยแม้กรทั่งจริงจกพักก็ยังต้องฟังนะเด็กพูด ผู้ใหญ่ก็ต้องฟังนะอย่าเพิ่งด่วนปฏิเสธนี่ข้อแรกเลยนะฮะก็สอนคือว่าต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหรือว่าให้น้อมใจยู่กับปัจจุบันอย่าเพิ่งปล่อยใจไปกับความวิตกกังวลเรื่องใดที่ยังไม่เกิดก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันจนเกินเหตุ เพราะมันจะทำให้เราเนี่ยละเลยโอกาสที่จะทำสิ่งที่ควรทำในปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันนะเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อย่าพิ่งตีตนไปก่อนใช่เพราะ น, นั่นจะทําให้เราไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรทำคนที่พอลูกขาเป็นมะเร็งนะมือเท้าก็อ่อนตื่นตระหนกตกใจทำอะไรไม่ถูกเอาแต่บ่นตีโพลตีพายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้ น, น, นสิ่งที่ควรทำก็เลยไม่ได้ทําเช่น การหาวิธีรักษาหาวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดหรือว่าการที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ซึ่งกำลังนับคอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์อะไรที่ควรทำก็เร่งรีบทำซะอย่าปล่อยให้คาราคัสังแ ต, คงตนนะ่คนที่ใจไปอยู่กับปัจจุบันนะคนที่ใจไปอยู่กับอนาคตด้วยความวิตกกังวลเนี่ย เขาจะปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปโดยปล่าประโยชน์เพราะว่าหมดแรงทำอะไรไม่ถูกหรือว่าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรเวลาก็ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้อะไกดีขึ้นแล้วใจก็ยังทุกด้วยเสร็จแล้วมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ตีตนไปก่อนค่าเสร็จแล้วปล่อยโอกาสที่มีค่าให้ผ่านเลยไปเสร็จแล้ว การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการไม่ตีโพยตีพายหรือบน่นวายๆหรือรูตักวมันสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามตั้งพยายามที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดรวมทั้งรู้จักกินอิ่มนอนอุ่นด้วยน้ำยังไม่น้ําท่วมยังมาไม่ถึงก็อย่งางน้อยก็ควรจะรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขที่มีในปัจจุบัน เมื่อนคนที่เป็นมะเร็งนะถ้าเอาแต่กุ่มของกุ้มใจเนี่ยก็เท่ากับว่าปล่อยความสุขที่มีอยู่ให้ผ่านเลยไปโดยไม่ประโยชน์ความสุขมันมีอยู่ทุกขนาดอยู่ในปัจจุบันถึงแม้เราป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีสิทธิ์มีความสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งเราต้องกลุ่มบอกกุ้มใจอันนั้นถ้่ากับว่าปล่อยความสุขให้ผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแน่นาเขาหรือไม่ก็ตามเราก็มีสิทธิที่จะเป็นสุขได้ในวันนี้นะก็ควรที่จะเปิดใจรับความสุขสุขกับครอบครัวสุขกับการทำงานสุขกับการพักผ่อนหย่อนใจแต่ก็ไม่ใช่เพลิดเพลินจนประมาทนะก็ต้องเตรียมตัวด้วยการอยู่กับปัจจุบันมีความหมายถือการ รู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ซึ่งหมายถึงการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำางนั้นได้เนี่ยมันต้องใจไม่ต้องต้องไม่ตีโพยตีภายไม่บน่นวายหรือกลุ้มหลงกลุ้มใจเพราะนั่นจะทำให้เราไม่ทำอะไรเลยการอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องวางแผน แต่เราจะ ไ, ได้ถึงแค่วางแผนแต่เราจะลงมือทำด้วยนี่เรียกว่าทำปัจจุบันที่ดีที่สุดเตรียมตัวรับมือนะเตรียมอุปกรณ์ยางชีพนะอาจจะเตรียมด้วยการสาสารงานการต่างๆไม่ให้คลางคลาง พุทธเจ้าเคยตรัสสอนภิกษุถึงเรื่องอนาคตภัย5ประการท่านตรัสว่าท่านเตือนภิกษุว่าในขณะที่ยังหนุ่มอยู่ก็ให้พึงตระหนักว่าเมื่อแก่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องยืแรงทําอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่ยังหนุ่มอยู่เนี่ยหรือ ย, ยังสาวอยู่ ก็อะไรที่ควรทำก็ควรจะทำเสียแต่บัด น, นี้รวมทั้งการศึกษาปฏิบัติธรรมคนที่มีสุขภาพดีก็พึงตระหนักว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะล้มป่วยถึงตอนนั้นก็สิ่งที่ควรทำก็อาจจะไม่ได้ทำทำไม่ไหวเพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่วันนี้เดี๋ยวนี้ต้องเร่งรีบทำแล้วท่านก็พูดถึงอนาพุทภัยอีกประการเช่น ในขณะที่เข้าวปลายังบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ก็อย่าประมาทเพราะว่าวันุ่งอนาคตอาจจะเข้าวปลาจะไม่อุดมสมบูรณ์เข้ายางหมากแพงนี่ตอนนั้นสิ่งที่ควรทําก็ทําไม่ได้ทําไม่สะดวกเพราะฉะนั้นต้องทําเสียแต่วันนี้ในขณะที่บ้านเมืองในขณะที่ผู้คนมีความสงบก็อย่านิ่งนอนใจ เพราะอนาคตบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายถึงตอนนั้นอะไรที่ควรทําก็ทําไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็ไม่สะดวกดังนั้นในวันนี้ขณะที่บ้านเมืองยังปกติผู้คนไม่ทะเลาะวิวาทบานหมางก็ต้องเร่งทําสิ่งที่ควรทําทําความดีสร้างสมกุศลปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะและท่ากนก็พูดถึงแม้กระทั่งว่าเนี่ยในขณะที่สง ยังมีความสามัคคีกันดีอยู่ก็พึงระลึกว่าในอนาคตสงอาจจะแตกสามัคคีกันถึงตอนนั้นก็ปฏิบัติทําให้สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง เ, เร่งทําเสียแตตอนนี้ถ้าไม่ได้พูดเรื่องภัยี่บัตินะฮะแต่ว่าอันนี้เราก็เอาเอาเอาแนวคิดนี้เนี่ยเอาท่าที่แบบนี้มาใช้กับปัจจุบันได้คือว่าในขณะที่วันนี้ยังไม่มีภยัยพิบัติแต่พรุ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ถึงตอนนั้นก็อาจจะทําอะไรไม่สะดวกเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรีบทำซะต้องรีบทำํำนะซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวด้วยการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติเพราะว่าถ้ามารอรอขยับตัวเมื่อน้ําเริ่มท่วมจากทิศเหนือแล้วน้ําเริ่มมาแล้วถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีเวลาพอ สายก็ออกแพงกระสอบ้ายก็ออกแพงมาม่าก็ออกแพงอะไรตอนแรกออก็แพงนะไม่สะดวกเลยนะอันนี้หมายถึงว่าคือการทาปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่จะไม่มัววิตกกังวลกับสิ่งที่จะมาไปถึงจนกระทั่งปล่อยให้เวลาที่ควรปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปโดยประโยชน์ ประการที่สมเนี่ยนะต้องพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแม้จะให้เป็นปรัชมาก็ตามอันนี้เป็นการเตรียมใจนะเพราะถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยพอเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เกิดภัยพิบัติมันจะเกิดใจวิบัติด้วย แทนที่จะเสียแค่ทรัพย์แทนที่จะเสียแค่สิ่งของเสียเงินนะจิตใจก็เป็นทุกข์เรียกว่าเสียความสุขอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแม้เราจะเสียทรัพย์เสียสมบัติแต่ว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้ mm. เหตุการณ์น้าท่วมปีที่แล้วผู้ประสบภัยส่วนหนึ่งนี้หลายคนแม้เขาสูญเสียทรัพย์แต่ว่าเขายัง ตั้งหลักได้เขาก็ยังสามารถที่จะหาความสุขได้หรือมีความสุขซึ่งอนนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเพราะอะไรฮนะเพราะว่าวางใจไว้ถูกวางใจไว้เป็น แม้เจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเป็นมะเร็งก็ยังยิ้มได้ติดเชืไอีก็ยังยิ้มได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้ประสบภัยพิบัติแต่ว่าใจไม่ทุกข์ มีคนที่ทำอย่างนี้ได้มากมายเพราะเขาวางใจไว้ เ, เป็นอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สุขทุกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเราวางใจกับมันอย่างไรแม้เจอทุกแม้ประสบภัยแต่วางใจถูกนะก็ไม่ทุกแต่ถึงแม้ไม่ประสบภัยเลย ได้โชคได้ลาภได้ซ้าแต่ว่าทุกข์ก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะว่าทุกข์เพราะเห็นคนนึ่งเขาได้มากกว่าเราเราได้แสนคนนึ่งเขาได้สองแสนมีหลายคนทุกข์ไม่ได้เสียอะไรนะได้เช่นได้โบนัสแสนแต่คนอื่ได้สองแสนทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะวางใจไม่เป็น เพ น, นั่นบอกว่าอะไรเกิดสุขหรือทุกข์ไม่ได้ขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้สิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราแต่เราวางใจเป็นก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าวางใจเป็นแม้มีสิ่งดีๆเกิด ข, ขึ้นกับเราได้โชคได้ลับก็ทุกได้ไอ้เอร่างนี้พายุเนี้ยเรื่องการพร้อมที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้ภัยี่บัติเนี่ย มันไม่สามารถจะนำความทุกข์มาให้กับจิตใจของเราได้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายเรื่องทรัพย์สินเงินทองอา จ, จทำให้เจ็บป่วยแต่ว่าใจไม่กระเทือนใจไม่เป็นทุกข์สิ่งที่ช่วยทำให้เราพร้อมยอมรับกับสิ่งไร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้น ก็คือการที่เราตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนวันนี้แข็งแรงผู้นี้ก็อาจจะเจ็บป่วยวันนี้รวยผู้นี้ก็อาจจะจนวันนี้ได้รับคำชมแต่ผูงนี้ก็อาจจะโดนตาหนิมันเป็นอดีตจังพมอเราตระหนักถึงถึงถึงความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เพื่อทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตและความสุขที่มีเราจะไม่เพ่อเพอลิงไหลในความสุขที่มีอยู่เพราะเราตระหนักว่าพรุ่งนี้อาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นและเมื่อมันเกิดขึ้นจริงเราก็ไม่ทุกเพราะเราได้เตรียมใจไว้แล้วเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองภัยพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีของธรรมชาติและส่วนหนึ่งมนุษย์เราก็มีส่วนไปซ้ําเติมให้มันเกิดขึ้นเร็วเข้าเช่นปรากฏการโลกร้อนมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่ามนุษย์เราไปเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นแต่ว่า ถึงแม้ไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถึงแม้มนุษย์ไม่มีไ ม, มไม่มีกับพลั ก, กำลังและสติปัญญาที่จะไปเล่งแทรกแซงธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือว่ามันมีขึ้นมีลงและความพันธุ์งธรรมชาติมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับตัวของธรรมชาติโลกเนี่ยถ้ามันไม่เกิดภูเขาไฟ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อหลายพันล้านปีก่อนไอการที่โลกจะมีบรรยากาศที่สวยงามมีทะเลมีมหาสมุทรเป็นโลกสีครามก็คงเกิดขึ้นได้ยากกระบวนการที่ทำให้โลกเนี่ยซึ่งเคยเป็นก้อนวัตถุร้อนๆที่แตกมาจากดวงอาทิตย์ไปตามทฤษฎีนะฮะ แล้วมันกลายเป็นโลกที่สวยงามึ้นโลกสีครามไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีกระบวนการนะที่เรียกว่ารุนแรงเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแต่นั่นคือส่วนของการสร้างสารรค์โลกให้หน้าอยู่งั้นถ้าเราเข้าใจความจริงว่าเนี่ยในโลกนี้มันมีทั้งขึ้นและลงนะและคนเราก็มีทั้งขึ้นและลงเหมือนกัน มีพบก็มีพราดมีเจอก็มีจากมีได้ก็มีเสียเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของทีวิต ร, รูปแบบนี้เนี่ย mm hmm. ก็เท่ากับว่าเราเรามีภูมิคุ้มกันที่จะรับมือกับความผันผวนแปลปว น, ปว น, ปวนและความสูญเสียได้อันนี้จังเนี่ยสําคัญนะฮะและเราต้องต้องตาตั้ตรงนี้เสมออย่าคิดว่าทุกอย่างมันจะเที่ยมแล้เราจะรับมือกั บ, ก, บกับความแปรปรวนของของโลกได้ดีขึ้น และแต่ทําดิมทำอนองเดียวกันเมื่อเราเมื่อเราเข้าใจเรื่อนิจจังของโรคและชีวิตเนี่ยเมื่อมันมีความผันผวนเกิดขึ้นเราก็พร้อมรับคนที่เข้าใจเรื่อนิจจังดีเมื่อเพราะว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งไตาวายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่โม้ปวนตีป่วยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้น ก็พราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้วันนี้สุขวันนี้ปกติไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะสุขและพรุ่งนี้จะปกติคนที่เผื่อใจไว้เช่นนี้เมื่อมันเกิดอะไรขึ้ น, นกับเราก็พร้อมยอมรับได้จะไม่โมโหโกรธตีโพยตีพายแต่ว่าจะหันมาตั้งสติและพิจารณาว่าแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไป เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อบ้านถูกน้ําท่วมไปแล้วรถก็ถูกน้ําพัดไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรจะไม่มาโมเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอันนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่ถูกความทุกข์รุมเรา้าอันที่สองทำให้เราเนี่ยสามารถจะเดินไปข้างหน้าได้นะโดยที่ไม่มาถูกมัดรัดรึง จากเหตุการณ์แนบดีข้อนี้เนี่ยมันก็จะโยมถึงเรื่องของการที่เราต้องหมั่นเจริญร้อนนสติกด้วยการเจริญร้อนนสติกคือการตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายความตายเป็นสือหมายปลายทางของชีวิตเราเราลึกถึงเอาไว้บ้างก็ทําทให้เราเนี่ย กลัวภัยพิบัตรน้อยลงคนเราเนี่ยกลัวภัยพิบัต์จนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับพรลึกๆเนี่ยก็คือกลัวตายแล้วก็คิดพยายามที่จะหนีภัยพิบัติให้ได้แต่เรามัาไม่ค่อยถามเลยว่าแม้ไม่เกิดภัยพิบัติเราคิดว่าเราจะไม่ตายหรือเปล่า ถึงเราจะย้ายบ้านจากกรุงเทพมาชัยภูมิปลอดภัยทุกอย่างไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีไม่มีน้ำท่วมแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่คำฟ้าสักวันนึงเราต้องตายและแต่ว่าไปแล้วเนี่ยความตายที่อยูใกล้ตัวเรายิ่งกับภัยีิบัตรน้ำท่วมอาจจะเกิดขึ้นก็ประมาณอีกสามสี่เดือนข้างหน้า แต่ความตายที่เราไม่รู้ว่าไม่รู้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไร่อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้มีพัสสิที่เคยบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิว่าพรุ่งนี้มาก่อนชาติหน้าสําหรับหลายคนวันนี้มันไม่มีพรุ่งนี้แล้วฮะพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยหลายคนจะโรงพยาบาล ชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมเขาไม่มีภูมินี้แล้วฮะจากวันที่ไปชาติหน้าเลยแต่นั่นไม่ใช่เฉพาะคนป่วยนะฮะคนที่เดินเหินปกติเหมือนเราเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้มีหลัปากประกันแรือว่าจะมีพุ่งนี้หรือว่าจะมีพุ่งนี้ก่อนชาติหน้าแตมาเรื่อความตาันใกล้ตัวเร า, ย, า, า, ย, ายิ่งกว่าภัยพิบัติฮะให้เราไปตื่นตระหนกภัยพิบัตแต่เรา เตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติแต่เราไม่เคยเตรียมตัวรับมือกับความตายเลยท่านที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ที่พูดกันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นกได้แต่ความตายนี่เกิดขึ้นแน่ภัยพิบททัติอาจจะเกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่ความตายอาจเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งคืนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จัก เตรียมตัวรับมือกับเชิญความตายไบ้างตระหนักว่าเราจะตายได้ทุกเมื่อถ้าเราตระหนักอยู่บ่อยๆเราก็จะยอมรับความตายได้มากขึ้นเราจะกลัวตายน้อยลงแล้วเมื่อเรากลัวตายน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็จะกลัวภัยพิบัติน้อยลงไปเองที่ตื่นตระหนกภัยพิบัติเนี่ยเพราะลึกๆกลัวตาย แต่ถ้าว่าเราไม่กลัวตายแล้วเนี่ยภัยพิบัติมันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เราควรจะเตรียมตัวรับมือแต่ไม่ใช่ด้วยความตื่นตระหนกนั่นการจูเลียนมอลลัสเตอร์ A S นี่มันมันมันมันเป็นวิธีรับมือกับภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่อาตมาอยากจะแนะนำนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยกลัวภัยพิบัติน้อยลง นนแต่นี่เราเดียวกันมันทาให้เราไม่ประมาทด้วยนะฮะไม่ใช่กลัวแล้วนิ่งนอนใจเมื่อเราตระหนักว่าเราจะต้องตายแน่นอนแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราก็จะต้องเราก็จะไม่คิดปล่อยให้เวลาที่มีอยู่ในวันนี้ผ่านเลยไปเราก็จะเร่งทําความดีเร่งทําหน้าที่ที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จไม่ให้ไม่ให้ค้างคาไม่ใช่แต่เฉพาะหน้าที่ในที่ทํา ง, งานแต่หน้าที่ต่อรูปหน้าที่ต่อพ่อแม่เราก็จะเร่ง อนขวายทมซึ่งมันจะทำให้เรามีความสุขเมือม่อเมื่อเมื่อเราได้ทำโดยที่ไม่สาสางค้างคาการจลน์มรรสตริมันทำให้เราเนี่ยไม่ตื่นตนกกราัสสติมองกับำภัยพิบัติหรือถึงภัยพิบัติเกิดขึ้นเราก็พร้อมลํา ม, มือกับมันได้มากขึ้น ก็คือใจสงบไม่วั่นไหวแต่ในเวลาที่มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ทำสิ่งที่ควรทำทำความดีสร้างกุศลปฏิบัติธรรมและมันช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น คนเราเมื่อคนเรายิดมั่นถึงมั่นเพราะเราคิดว่าเราจะอยู่คําฟ้าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงแต่เมื่อเราตระหนักว่าสักวันเราต้องตายเนี่ยไอสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราดิ้นรนหวงแหนเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยเพราะว่าเอาไปไม่ได้และมันไม่ได้ช่วยทําให้เราถูกน้อยลงเลยในยามที่เรากำลงังจะตายจนกว่าเราจะได้สึกปล่อยวาง และการเจอเร า, าอต้อสเสตช่วยอย่างนึงนะฮะหือช่วยทําให้เราตระหนักว่าแม้ภัยพิบัติจะทําให้เราสูญเสียมากน้อยแค่ไหนก็มากเพียงใดก็ตามเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าเวลาที่เราต้องตายเพราะเมื่อเราต้องตายเราสูญเสียหมดทุกอย่างมีสิบล้านก็สูญเสียสิบล้านมีร้อยล้านก็สูญเสียร้อยล้านหลายคนเนี่ยเจอี่ยพิบัติแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโชคดีฮนะ เขาโชคดีที่เขาเสียแค่ทรัพย์เสียแค่เสียแค่รถยนต์แต่ว่าเขายังมีชีวิตลูกยังมียังมีลูกยังมีครอบครัวยังมี พ, อพ่พอแม่ที่ได้พบกันพร้อมหน้าเพราะแทนที่เขาจะทุกข์เพราะเสียทรัพย์นะเขากลับสู่เขาโชคดีโชคดีเพราะอะไรโชคดีที่ไม่ตายโชคดีที่ยังมีอะไรต่ออะไรเหลือที่จะทําได้อย่างน้อยนะ ก็ยังมีบ้านแม้รถจะถูกน้าทัดไปแม้ทรัพย์สมบัติจะหายไปแต่ยังมีบ้านยังมีอากาศสายสองครบยังมีลูกยังมีพ่อแม่เขายิ้มได้อันนี้เพราะเขาตระหนักอยู่เสมอว่ายังไงมันก็ดีดีกว่าการที่จะต้องตายหรือสูญเสียคนรัก ถ้าเราเราู้ถึงมรณาสติเสมอเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะว่ามันมีเรื่องที่ใหญ่กว่ารอเราอยู่ก็คือความตายทุกอย่างปัญหากระสับความสูญเสียงานล้มเหลวมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดเมื่อเราเรารู้ถึงความตายอัเกินเจริญัตมรณา ส, สติเนี่ยมันช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น และทำให้เราเนี่ยวันกลัวมมหมานตาัยน้อยลงแต่ไม่ใช่นิ่งดูดายนะฮะแต่เราจะไม่ทุกข์ใจกับมันเราจะรับมือกับมันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยใจที่ปล่อยวางมากขึ้นาการจรดมรรกสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นจริจ ไม่ว่าในยามในยามที่สุขหรือในยามที่มีกำลังจะมีภัยคุกคามมากับเราคนที่เจอใร้อนนัสติเสมอเมื่อรวดเป็นมะเร็งเขาก็เจ้าไม่แบบวิตกมาเขาเขารู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่ก็ยังดีที่วันนี้ยังมีลมหายใจ แม้เป็นมะเร็แต่ยังมีลมหายใจ ย, ยังมีสุขภาพดียังทําอะไรได้ยังปฏิบัติธรรมได้เข้าวัดได้ยังมีเวลาที่จะไปไปดูแลพ่อแม่ดูแลลูกมีเวลาที่จะไปขอขามาขอโหสิคนที่เราเคยทําสิ่งที่ผิดบาปเอาไว้เน้นถ้าเราจเจริญร่างนักสติเนี่ยเราจะกลัวกลัวภัยไม่ว่าภัยส่วนตัวหรือภัยธรรมชาติเนี่ยน้อยลงและเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ ใช้มันเพื่อฝึกให้เรารู้จาปล่อยวางมากขึ้นอันนี้ก็โยงไปถึงการที่ก็ประโยชน์ข้อหนึ่งงการจอลนมรักสติกือว่ามันเป็นการช่วยฝึกใจให้เราได้ปล่อยวางในเรื่องต่างๆที่มากระทบซึ่งเมืเม่อกี้ทมาพัฒได้พูดแล้วนะว่าเวลาเราเจอความทุกข์แล้วเรา เรายึดมาถึงมันก็ทําให้เราทุกข์มากขึ้นกับความล้มเหลวกับความสูญเสียกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่พอเรเอความตายมาพิจารณาว่าเรานี่ยเราต้องเจอสั่งยังต้องเราต้องตายต้องเจออีกมากไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรำมันกลายปเป็นเรื่องเล็กไปเลยประการสุดท้ายเนี่ยนะฮะการทําความดีมีน้ําใจต่อผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ในการที่จะทำให้เราเนี่ยรับมือกับมันตะไครและภัยธรรมชาตไิได้ดีขึ้นไม่ว่าก่อนที่มันจะเกิดหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันตภัรเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะบ่อยครั้งเนี่ยมันทุเราเบาบางไปเพราะผู้คนเนี่ยยังมีน้ำใจเพื่อเฟื่อต่อกัน บางทีช่วยบรรเทาทุกข์ภัยให้ลดน้อยลงทำไมหลายแห่งเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาสามารถที่จะหลายชุมชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยจากภัยพิบัติจากน้ำท่วมเพราะเขาช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันนะทำกำแพงกั้นน้ำ ด้วยกันสูบน้ําหรือแม้กระทั่งในศูนย์ผู้ผู้รีภยัยผู้พักพิงก็มีการแบ่งหน้าที่กันใครทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยใครทำหน้าที่แบ่งแบ่งซับแบ่งของที่ได้รับบริจาคมาแม้จะไม่มีที่แ ม, แ ม, แม่แม่จะต้องพักที่ตาดค้าที่อยู่แต่ว่าอยู่ในศูนย์พักพิงด้วยความสบายใจไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครมาขโมยทรัพย์สมบัติของชั้น เพราะผู้คนในนั้นเนี่ยร่วมมือกันแบ่งหน้าที่กันเวลาจะมีคนมาจาัดของก็ไม่ต้องแห่กันไปแย่งชิงเอาของเพราะว่ามีการบอกร่วมหน้าแล้วก็มีการแบ่งเวรกันไปรับดูกันอย่างอย่างอย่างสบายใจแม้ว่าจะพัฒนาพาาที่อยู่ตรงข้ากบหลายแห่งนะซึ่งอยู่ด้วยความห ว, ดวาดภวะรูปแบบรูปเป เข้าห้องน้ำกลับมาของหายแนละ้วหรือว่ามีคนมามามาเวียนเทียนเอาของทำให้คนอื่นไม่ได้รับของแจกการช่วยเหลือเกื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันเนี่ยมาสำคัญมากแล้วถ้าเรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะ มันก็ดีกับเราเองด้วยเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขและมันทําให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าเรายังโชคดีกับคนอื่นมีหลายคนที่ทุกข์มากกว่าเราสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ทําให้ใจไม่วิบัติทั้งเราเองก็ไม่วิบัตก ด, ด้วยทั้งบรรยากาศแลดล้อมก็ไม่วิบากก็ทําให้ ผู้คนสามารถจะผู้คนไม่ทุกข์ทรมานกับภัยพิบัติมากหลายคนได้ยกย่องนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นเาเกิดซูนามิเขาเกิดแผ่นดินไหวเขาเจอ3ามเด้งเลยเพราะว่ามีเรื่องโรงงานนิวเคลียร์รังสีนิวเคลียร์แข่เข้าไปแต่อย่างที่เราทราบว่าเขาสามารถจะรับมือกันได้ดี ไม่มีการพ้นสดมเข้าชิวรับของอย่างเป็นระเบียบก็ใจเขาไม่วิบัตนะและเพราะว่ามันมีคนที่คอยคิดแต่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเรื่องเล่าว่าอาจารกับเพียงเขาเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยมีการแจกมีในในศูนย์ผู้พักพิงเนี่ยมีการแจกอาหาร แล้วแถวยาวเหยียดมากที่เป็นรับเอาอาหารปลายแถวเนี่ยเป็นเด็กอยุเ ก, ก้าขวบเด็กคนนี้เนี่ยสูญเสียพ่อเขาบอกว่าตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยเขาเห็นพ่อเนี่ยรีบขับรถมารับตัวเองที่โรงเรียนเขาอยู่บนตึกตัวเด็กอยู่บนตึกแต่ว่ารถยังมาไม่ถึงโรงเรียนเลยก็โดนคลื่นซัดมีคนถามว่าแล้วแล้วแม่และญาติล่ะ เด็กก็ตอบว่าแม่แลาตเนี่ยผมจะตายเพราะว่าบ้านอยู่ริมทะเลแกเหลืตัวคนเดียวครับอาสาสำหรับฟังก็สงสารเห็นเด็กเข้าคิวรอคิวยาวก็เลยเอาขนมปังให้เด็กอาสาซ้อนขนมปังอเอาขนมปังก้อนหนึ่งให้เด็กเด็กก็ขอบคุณเสร็จแล้วเด็กก็เดินไปที่โต๊ะแล้วก็เอาของเอาขนมปังเนี่ยวางไว้รวมกับกอง ของที่จะแจะส่วยรวมแล้วก็กลับมายืนเข้าคิวที่จุดเดิมอาศาสบักถามว่าทำไมไม่กินขนมปังล่ะเด็กก็ตอบว่าไ ม, วไม่กินขนมปังไม่หิวเลยเด็กก็บอกผมหิวครับแต่ว่าผมนึกถึงคนอื่นนะคนก็หิวเหมือนกับผมนะก็อยากจะให้ใครที่ อยู่หัตถวเนี่ยมาถึงก่อนก็ได้คิดก่อนมันจะได้ยุทธธรรมเนี่ยเด็กคนนี้เขามีน้ำใจได้แต่มาเที่ยวคงไม่ใช่มีเฉพาะกับเด็กคนนี้คงมีกับทุกหลายหลยคนซึ่งมันทําให้การบรรเทาทุกข์ในกรณีสุนมิที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นไปอย่างไม่สุลักทุเลนะซึ่งอาจจะต่างกับ บางที่บางแห่งในเมืองไทยตอนเกิดน้ำท่วมอย่างที่เราทราบนะว่ามันทุรคทุเลามากเพราะว่าใช้วิธีตัวใครตัวมันแต่ในเมืองไทยไม่ไดมีคนที่ที่ที่ที่เสียสละนะซึ่งมันทำให้คนเกิดกำลังใจมีคนหนึ่งเนี่ยนะตอนที่น้ำท่วมบางบัวทองเนี่ยแกแกต้องใช้ต้องเดินต้องลุยน้ำแล้วก็ นั่งรถถึงยี่สิกิโลเพื่อที่จะไปซื้ออาหารให้กับบ้านของตัวซึ่งน้ำท่วมยี่สิบกิโลนะไปถึงเนี่ยมันก็เย็นแกก็ต้องนอนขากลับก็ติดรถติดรถผู้สื่อข่าวรถนั้นเนี่ยมีมีถุงยางชีพเยอะมากเลยผู้สื่อข่าวก็สัมภาษณ์แกก็บอกว่ามีมี บ้านแกมีหลายคนติดอยู่ในติดอยู่ในติด อ, อ, อยู่กลางน้ำแกเนี่มาซื้อของเพื่อที่จะไปช่วยมีกี่มีกี่คนน่ะก็บอกว่าเจ็ดดคนผู้สื่อข่าวก็เลยให้ถุงยันที่แกไปสองหรือสามถุงแทนที่แกแก จ, จะรับนะแกบอกแกไม่รับขอรับถุงเดียวพอทาไมล่ะ ก็เพื่อให้บ้านอื่นเขาไ ด, ได้ได้ใช้บ้างคนที่คิดแบบนี้แหลคะครที่จะช่วยทำให้การรับมือภยัยพิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและทำให้สามารถจะผ่านความวิกฤตการณ์ไปได้อย่างที่เราทราบน้ำท่วมเนี่ยมันมันไม่มีพลังเท่ากับน้ำใจ และในในยามที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยอย่าพึ่งนิดคิดถึงแต่ตัวเองนะเพราะถ้าเราคิดแต่ตัวเราเอง เ, เราจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราเิดถึงคนอื่นนะเราจะทุกข์น้อยลงเพราะเราจะพบว่าคนอื่นต้ทุกข์น้อยกว่าเราและถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาความจริของเรานี่ออกมาช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันและเป็นแบบยางให้คนอื่นได้ทําอย่างนั้นด้วยซึ่งก็ช่วยทําให้วิกฤตการณ์เนี่ยมันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะฮะก็คิดว่าธงพอจะเป็นแนวทางได้ก็อยากจะสุดสุดอีกครั้งนึ่งนะว่าในการที่เราจะรับมือกับมันทัายเนี่ยหนึต้องตั้งสติให้ดีนะส อ, อยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะสามเนี่ยพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะยอมรับความผิดที่เกิดขึ้น ด้วยการตรหนักถึงอนิจจัแล้วก็ด้วยการที่ตเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอเพื่อเจรักมือสิกก็ไม่คาดฝันไอ้สีคือการเจ ร, ริญร้อนนัสสติแล้วก็อันที่หคือการทําความดีนั่นใจในพืชสุดท้ายจริงๆที่ที่คิดว่าตวเตรียมไว้คือว่าจะต้องพร้อมที่จะทําใจให้สงบเมื่อ เผชิญกับไทยมาอยู่เฉพาะหน้าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงๆแล้วเราหนีเลทพคนนะฮะก็ต้องพอร้อมที่จะรับความจริงที่เกิดขึ้นด้วยใจสงบทำใจสงบได้อย่างไรใช้ลมหายใจของเราเป็นเป็นเครื่องช่วยหายใจเข้าคุ้นหายใจออกโท หรือว่าเจริญสตินะใครที่เคยเจริญสติมาที่วัดป่าสุกระโตก็ทราบดีนะฮะการคลึงนิ้วการพลิกนิ้วไปมารับรู้อยู่กับปัจจุบันขณะหรือว่าถ้าใครทาไม่เป็นก็อาจจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือให้จิตของเรานอนอยู่ตรงนั้นเพื่อที่ใจอยู่ได้ไม่ตื่นตะนอกะะอันนั้นก็เรียกว่าเ ป, เ, ปเป็นเป็นวิธีสุดท้ายนะที่เราจะทําได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราต้องเจอภัยิบัติแต่โดยเฉพเวลาที่เราเจ็บป่วยและเราใกล้ที่จะหมดลมโมเมนต์นี้ขนาดแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วเพราะนั้นเนี่ยอย่ารอว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นเราถึงค่อยถึงค่อยทำต้องทำเสียแต่วันนี้ฝึกเอาไว้ ให้เรามสติเสมอพร้อมที่จะน้อมใจสงบแล้วก็ปล่อยวางสิ่งทั้งปวง <Okay. S 1> เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่างที่ท่านอาจารย์พุทธาบาสเนี่ยให้รู้จักตกกระไดโพลต์โจรตกกระไดพาปจดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อตกกระไดแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงน้ากวงหลังพุ่งไปขงหน้าอย่างเดียวแล้วปล่อยวางสิ่งทั้งปวงอันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับในการที่เราจะรับมือกับ ภัยี่บัติใดๆที่เกิดขึ้นไม่เป็นไม่เป็นตเนเภัยธรรมชาติอาตมาก็ขออุติการบรรยายถึงเท่านี้นะครับก็ขอเจริญพรแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ตั้งสติแล้วก็มีความพร้อมนะในการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่ามันจะมาในรูปใดก็ตาม